เทรังอาระภะกเทศตีตีในโอกาสบัดนี้อาตมาภาคจะแสดงพระสธรรมเทศนานนยบกกระขาถาเพื่อเป็นเครื่องสวดสงฆ์องคตธาบารมีที่บรรดาธนดาธนาธิปดีทั้งหลายได้พร้อมใจมาบำเพ็นบุญศนประจำปัก คือวันขึ้นสิบห้าคันเดนเอ็ดเป็นวันออกพรรษาตรงกับวันที่ส1เอดตุลามคมสองพัน้ารอยสมสิบห้าเป็นวันอาทิตย์เปนลานิบันดาทศยโยมพุทธศาสนิกชนทั s> <S ้งหลายต่างคนต่างก็รน้อมใจยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุการี่บันดาทนพุทธบริษัทธ์หลาย มีความเคารพต่อพระไตรสนาคมทั้งสามในการมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นต้น <c oughs> อย่างนี้บรรดาทถานมหาชนทั้งหลายต่างคนต่างก็เป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่นอกจากนั้นทาหาหา่านทั้งหลายมันตั้งมังพระพุทธในของนางเสนาต่างก็พากันถวายสังฆทานใหญ่กับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลา ย, ลายเป็นมหาสังฆท า, าน <c oughs> หลังจากนั้นก็ตั้งใจสระดับพระธรรมเทศน า, าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดว่า เ, าเป็นมหากุสุอันระเสแต่ประเทศกันนี่ยาวบรรดาระพุทธบริษัทจะไม่ขอพูดนร่องอื่นมากสงสัยว่าสองวันไม่จบไม่จบโอเ ค, คไหมถ้าเทศอย่างละเอียดสองวันไม่จบจะยอดหังจบไม่จบใรราบ เป็นว่าในขณะนั้นมาองค์สมเด็จพระภักวันบริมศาสัญดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพรเดชประทับอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารแห่งเมืองราชเกิดมหานครขณะนั้นสาวกของจอมบพิตรอดิศรเือพุทธเจ้าองค์สององค์ชื่อว่าพระโมคัลลาองค์หนึ่งพระเป็นโตภารัตวราชาองค์หนึ่งจาบัรษายอยู่ใกล้ๆ <c oughs> เจอว่า เวลานั้นปรากฏว่คนที่ยังไม่ถือองค์สมเด็จพระจอมไตรคือมหาเศรษฐีคนหนึ่งยังไม่ถือพุทธศาสนาด้วยยังไม่ถือศาสนาอื่นด้วยเป็นคนกลางยังไม่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแนละสมันะสมเพริยนะ ม, นะมิชฉาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเขายังไม่เป็น มาในวันหนึ่งท่านมหาเศรษฐีไปอาบน้ำที่ทะเลมันดาบริษัทต้งหลายก็พากันขึงลวดตาไขา่ป้องกันเจ้านายไม่มีอันตรายจากปราแลสัตว์ขณะที่ขึ้นจากน้าปรากฏว่าวเมื่อเอาไข่ขึ้นก็มีปมเกันจันปมหนึ่งมาติดที่ตาขา่ท่านมหาเศรษฐีถามว่าอะไรเขออาจึงแกะออกให้ดูกว่าแกเปลือกที่สัตว์ไมันเกาติดอยู่ ก็ปรากอว่าเป็นภูมิรกญจันท์เขาจึงมีความรู้สึกว่าภูมแก่จันทร์นิธิบ้านของเรามีมากอันนี้เราจะทําอะไรดีก็คิดตัดสินใจว่าเวลานี้สนักต่างๆต่างคนต่างก็ปราของเาเป็นพระอรหันต์คณะอาจารย์ณักหกก็บอกว่าฉันเป็นพระอระหันต์พรนากสับก็บอกว่าฉันเป็นพระอระหันต์สำหรับนสนักตพระเจ้าก็บอกว่าเป็นพระอระหรันต์เหมือนกัน ต่างคนต่างหันเขาไม่แน่ใจจริงจ้างในช่างมาทำแกะไม่ปมแก่นจันงให้เป็นบาทและชักรอกเปแขวนไว้สูงหกสิบสองให้หกสิบวานะหกสิบสองกีวาสิบห้าวาแล้วก็ประกาศว่าภายในเจ็ดวันนี้น <Cub 's> ับ <desserts> ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ็ดวัน ถ้าสนักใดมีพระอาหารหันต์ขอให้สนันทันฑ์นั้นมาทางอากาศจิปปะบาิไปแต่ความจริงบรรดาญาโยมพุทธบุตรสัตวหลายจงอย่าคิดว่าพระอาหารหันต์เถอะได้ทุกองนะไม่ต้อคิดอย่างนั้นนะ <Wow. S 1> ความจริงพระอาหารหันต์มีสี่เหล่าหนึ่งสุขเวสสกุลเหล่านี้เป็นพระอาหารหันต์ได้แต่ไม่มีความเป็นทิพย์ไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาไม่เห็นโลกสวรรค์ สองเตวิโชมี ว, วิชาสามขั้นเด่านีมม้มีความเป็นทิพตาเป็นทิพหูเป็นทิพปากเป็นทิพแถมฟันก็นเป็นทิพด้วยกินเนื้อไปกัดขาดแล้วก็สาลาสระพิญโยเหล่านี้สามารถแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆห่อเอิญเนี่ยไก่ก็ได้สี่ไปสัมพัทายานปิสัมพัทายานี่มีความฉลาดมาก กระรงความว่าพระอาหารหันต์ไม่เสเหะได้ทุกองเป็นว่าว่าการผ่านไปหกวันยังไม่มีใครจะมาบาทคณะบรรดาเดิษถีทั้งหลายต่างคนก็อยากได้บัตรบาตรประสมบรมเกลินจันไปบอกกับมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีบอกว่าถ้าหอไม่ได้ก็จงอย่าเอาจะขอเทศละลัฐนะต่อมาถึงวันที่เจ็ดพระโมกขันลากับพระปินโดภารัตวชะ ตอนเช้าตรู่ท่านลุกขึ้นมาแล้วล้างหน้าเสร็จทำกรรมฐานเสร็จแล้วก็ห่มผ้าตั้งใจจะไป จ, จะบินฏิบาตในเมืองแรกจะคือ <c oughs> ในตอนนั้นท่านยืนอยู่บนหลังหินดาดยาวประมาณประมาณสามคาวุธ1หนึ่งคาวุธเท่าหนึ่งร้อยเส้นจำนานยกทรงนะสามคาวุธเนี่กี่ร้อยเส้นน่ะสาร้อยเส้นนะ ก็มีมีคนบางพวกสงสัยว่าจะเป็นเทวดาไปยืนใกลๆนะ้ๆแล้วพูดว่าเฮ้ยพวกเราเวลานี้คณาจารย์ต่างๆต่างกล่าวว่าเป็นพระหานแต่ความจริงไม่จะเป็นเพราะว่ามหาเศรษฐีเอาบาทมาตั้งไว้เจ็ดวันแล้วแผนไว้วันนี้เป็นวันที่เจ็ดถ้าไม่มีใครมาเอาแสดงว่าสำนักคณาจารย์ทั้งหมดไม่มีพระหลาน พอท่านบอกกลาฟังแล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่แสดงตนบรรดาประชาชนหน่อยก็จะดูถูกดูเป็นพุทธศาสนาแต่ถ้ว่าท่านบินโดภรตวชชะมีฤทธิ์มากอยากจะให้ท่านบินโดภรตวชชะแสดงแทนท่านยังถามว่าบินโดภรตวชชะได้ยินเสียงชาวบ้านพูดไหมท่านก็บอกว่าได้ยิน โมกุลากรบอกว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากก็จงไปเอาบาทท่านบินโรพาตสวาชาก็บอกวา่าสําหรับท่านเองพระเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้มีผู้ผู้ ผ, ผ, ผ, ผ, ผลฤทธิ์มีฤทธิ์สูงสุดทำไมจะไม่ไปเอาพระโมกุลาก็บอกว่าตามาท่าท่าหาว่าท่านไม่สามารถผลจะไปเอาเองเนี่ยดูผิดกันนะไม่ใช่ดูถูกนะท่านบินโรพาตสวัชจึงหมผ้าเรียบร้อยก่อนซือบาท แล้วก็เหาะอีตอนหอะขึ้นไปในชีพเอาหินไปด้วยนะสามรอยเส้นน่ะไอหินมันก็วนรอบเร็วมากบ้านมหาสถรษฐีะชาวบ้านชาวเมืองเอาตะแกรงตะกร้าบ้างตะแกรงบ้างกระดงบ้างมาปิดเป็นว่าหินจะหล่นทับตัวเอง <laughs> ต่อบมาท่านกาเตยาเอานิ้วชีบหินไว้แสดงตัวในปรากฏชาวบ้านก็บอกว่าพระคุณเจ้าหินมันจะหล่นลงมาฉุกฉินจะตายจะเจ็าบาดเจ็บใช่ไหม ถ้ากัเลยเอานิ้วเท้าสลัดหินไปวางไว้ที่เดิมแล้วก็ไปยืนบนรังคาเรือนเขามาหาเศรษฐี <c oughs> ความจริงพระถือว่าถ้าเขาไม่บังคีตนี่รับไปได้ใช่ไหมตามพระมีนยัยถ้าเขาบาังคนแล้วยโยนให้รับได้แต่อย่าโยนแกงนะโ <c oughs> ยนแล้วก็ต้องโยนนะ <c oughs> <c oughs> เคยเคยเค ย, เคยเห็นเคยได้พบมาตามวิมนัยก็บอกว่า ถ้าเข้าบัคเกนไม่ถึงโยนให้ก็ได้เป็นราะว่าธรรมหาเศรษฐีเพราะในบุตรพญายทั้งหมดบริวารทั้งหมดก็ขึ้นไปรดฌานเลยกราบท่านเป็นดวงพระตวาคชะเพราะว่านี่มนพระคุณเจ้าลงมาถือครับผมจะบาดลงมาเองครับผููอัสนะแล้วท่านก็หลงไป <c oughs> เมื่อลงไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาถวายพระตาหารอย่างดีเลิศแล้วก็ถวายบาดปงเกณฑ์จันท์ด้วย ตอนที่ท่านบินโตพัลตวะยาเหาะนั่นคนไม่มากเพราะเขาไม่รู้ตัวใช่ไหมเมื่อท่านรับบาดเสร็จรับอาหารเสร็จก็จะกลับบา้านไปกลับวัดไปสบายนะเฝ้า <c oughs> อยู่ไว้กับพระยกทรงเนีิยข <c oughs> มันแข็งอีตอนนี้คนในป่าบ้างคนในเมืองบ้างคนในบ้านบ้างก็วิ่งมาบอกพระคุณเจ้าเขารับพระคุณเจ้าเจะฆ่าฉันยังไม่เห็นเหาะเลย พหาให้ดู ด, ด้วยอ้าวแท็ก่ต้องเหาะเหาประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ลงมาแล้วก็เดินต่อไปอีกพวกลงมาอีกพระคุณเจ้าขอรับเหาะหน่อยครับผมยังไม่เคยเห็นเนี่ยเป็นที่ข้าชาวบ้านต้องเหาะหลายเที่ยวกปถึงวิหารเมื่อมาถึงวิหารแล้วชาวบ้านยังมาล้อมวิหารอีกขอร้องให้หเหาะเวลานั้นพระพุทธเจ้ากาลังเทศข้ากินองค์พ ร, ร, ร, ระเด็จพระรมโลกเชศนนั้ทราบทุกอย่าง เมื่อทราบแล้วพระเนี่ต้องรู้แล้วก็แกล้งทำเป็นเหมือนไม่รู้จะเป็นธรรมดานะถามว่าอนุนนั่งเสียงอะไรข้านุนบอกว่าเสียงชาวบ้านขอรับที่ชาวบ้านต้องการให้บินโตพรรัตตะวะเจ้ให้ดูรดพระองค์สมเด็จพระบรมครูยังมีพระตํำราตัดว่าอนนท่าอ น, นันทาดูกว่าอนอุ น, น, นไปตามบินโตพัตตะว ร, รัตวชะชมาเอาบอตเจนจันมาด้วย <c oughs> พอท่านบินโดพาละตวราชามาแล้วท่านก็นถามว่าเธอเหาอะจะบ้านดูหรือท่านบินโดพาละตวราชท่านเป็นพระอรหันนี่นะก็อยอมรับก็ใช่ขอรับองค์พระพุทธเจ้าทรง ต, ติเตียนมากมายติห้สแสดงปฏิหารให้คนดูเวลานี้พระเลยเหาะไม่เป็นไปตามมกันเหาะเป็นแต่พระต้องเหาะเวลาที่เช้บ่าไม่เห็นนะเหาะได้แต่เชบ่ายเขไม่เห็นห้ามสแสดงปฏิหารเจ้าก็ทรงบัญญัติ ก็ต่อจนี้ไปห้ามพระทั้งหลายแสดงปาฏิหาริย <c oughs> ์ถ้าใครแสดงปาฏิหาริย์ในทางเขาจะปรับเป็นโทษธรรด า, ญญายาจงพระโทรสัตว์ต้องคิดดูตามธรรมดาพระอราหันต์พระพุทธเจ้าจไม่ปรับโทษที่แรกจริงๆสมมติว่าพระอราหันต์จะไม่มีเป็นโทษในด้านอภสมาจารย์ถ้าละเมิดอย่างอื่นจะปรับโทษก็ไปห้ามมาดีเขาไม่ทํา ไอ้ที่เขาไม่ทํามันไม่ปรับโทษไอ้ที่เขาทําเขาจะไม่ทํำมันไม่ปรับโทษ น, นะที่เขาพอจะทําได้สงปรับโทษแต่ว่าพิสมาจารย์มเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรต่อมาองค์สมเด็จพระจอมใจก็ตรัสว่าพระาอรหันต์ถือว่าเป็นวิพิพัฒน์สติมีเป็นผู้มีพิพัฒน์มีสติสมบูรณ์ไม่ปรับโทษทุกอย่าง<ม>เป็นอรหันต์ลอยตัวลอยแล้วไม่ลอยถ้าก็ล อ, อยอยู่แล้วใช่ไอือ ก า, ารละหันนี้ไปมีภัยกันแน่หลังจากนั้นเป็นต้นมาบรรดาเจถีทั้งหลายทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรห้ามพร ะ, สะแสดงปฏิหารยการที่ท่านบิโฑบาตวัชชะแสดงนั้นเขาเขาน้อยใจมากเพราะว่าเขาเสียใจพวกเขาหาะไม่ได้ใช่ไหมไปขอบ่ายก็ไม่ให้บิโฑบาตวัชชะเอาไปก็ให้ ยิ่ประกาศว่าต่อตอนนี้ไปเราจ ะ, สะแสดงปฏิหารแข่งกับพระสัมมาณโคดมนนาดาดยังไงพระดาต้องสี่ใจจะสู้ไม่ได้เลยอืมก็เป็นวาาันวานเนี่ยบอเมื่อเขาประกาศกล้อ ง, องทั้งประเทศพระเจ้าพเป็นสายก็หนักใจเพราะองค์สมเด็จพระจอมใจทรงห้ามสแสดงปฏิหารเวลานี้เดือนถีสถานจ ะ, สะแสดงปฏิหารแข่งกับองค์พองจะทำยังไงถ้าหากว่าทําก็เปิดการขัดคําสั่งของตัวเอง จึงไปเฝ้าพระเจ้าถามว่าเวลานี้ผมบรรดาเดือดถิสัหนหลายตั้งใจจะสดแสดงปฏิหาริแข่งกับพระองค์พระองค์จะทำย่างไงพระเจ้าบอกว่าในเมื่อเขาจะแสดงแข่งแข่งก็ปฏิจะแสดงแข่งกับเขาพระเจ้าผู้สัญญาถามว่าในเมื่อพระ อ, องค์ทรงห้ามแล้วทำไมาจะสดแสดงได้พระเจ้าถามว่าผลไม้นั้นราชอุดยานขาววาองพระองค์องค์กินได้ไหมเจ้าบอกผู้สัญาบอกกินได้ ถ้าจะบ้านอาเอาไปกินจะบอกไปเป็นโทษถ้าจะบ้านเอาไปเป็นโทษพระราชากิเองได้นะ<ม>พระเจ้าท่านบอกว่าพระมหาราชาโดยก่อนพระมหาวาพิตรพระเจ้าสมภารข้าทอุทยายขององค์จะเป็นชั้นใดสถาคุา ก, ก็เป็นเหมือนกันบทบัญญัติที่บัญญัตินั้นห้ามจะเพราะภาษาวกมันจะห้ามตัวเองเอาไว้สิแล้วพระเจ้าพิณสัยนึกถามว่าถ้าอย่างนั้นองค์จ ะ, สะแสดงที่ไหน เ, บบร เ, รรเรพราะว่าเรในเมืองสาวัตถีใต้เขตในเมืองสักเกตพระตูเมืองสักเกตนะะเมืองอะไรวะนึกชื่อไม่ออกมอสังกัดตนนครเ็นเมสังเกตสักเกตท่านมามองอยักขาเขาขออใช่ใช่สังสังสังกัดตนนครนะหลังจากนั้นองค์สมเดพระจินวรก็ทรงเดจเที่ยวไปในเมืองราชพฤก พอเปนที่พอใจก็เมืองปลาไปเมืองสาวัตถีเมืองพระเจ้าเห็นจ้โ ก, กสลเพื่อนกันเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าปเศษในเจ้าโกสลก็ดีพระเจ้าพิมพสัยก็ตามแล้ว อ, อะไรพันธุรเสนาก็ตามสี่องค์นี่เป็นเพื่อนกันเจนหนังสือท่านนักเดียวกันมาไปไปไป ไ, ปไปพร้อมกันในเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วบรรดาที่เหลืหลายก็ติดตามพระเจ้าไฟนัดหมายเพราะว่า ถ้าชาวบ้านเขาถามว่าท่านจะไปไหนก็บอกว่าพวกเราจ ะ, ะแสดงปาฏิหาริย์แข่งกับพระสัมมณัโคดมตอนนี้พระสัมมาณะโคดมหนีเราไปเราจะติดตามไม่ยอมไม่ยอมไปหนีไปเก่งเขด้วยนะเมื่อไปถึงเมืองพาร์ลวสาวถีแล้วสาวถีใช่ไหมเมื่อไปถึงเมืองถึงเมืองสาวถีแล้วองคัตว์พระทิเจ้ากับพระทัพพระพพเจ้าเปรตที่โกศลก็มาเฝ้า หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าพระเจ้าปฐมที่กุศลถามว่าอจะแสดงปฏิหารที่ไหนก็บอกว่าจะแสดงที่ต้นมะม่วงบรรดาเดชินงหลายก็สั่งบรรดาญาติโยมพุทธบุตรสาทุกสิษหาทั้งหมดตุศิษฐมากั้นว่าต้นมะม่วงมีที่ไหนให้โค่นต้นถอนลากถอนโคนให้หมดแม้แต่มะม่วงที่งอกในวันนั้นก็ถูดทิ้งไปเสียไม่มีต้นมะม่วง ก็เป็นการบังเอิญ้อ่รําได้นาทวานุภา พ, ภาพกุมทรศักดิกายเ็เจ้าของสวนคนหนึ่งชื่อในกันดะกันดะนะฟังให้ดีนะชื่อชื่ออันตรายชื่อในกันดะเฝ้าสวนมะม่วงอยู่เห็นมะม่วงสุกมีหนึ่งลกูกให้พวกแรงพวกกาวพวกนกพกจะจิ่กินกะไล่ไปก็เก็บมา เ้ต า, าตั้งใจคิดว่าเราถ้าเราจะวถวายกับราชาพระราชาก็ให้บางวันไปสารพนะบ้างสิบสารพระนะมั่งเราไม่พอกินไปตลอดชาติถ้าเราถวายองคสมเด็จพระบรมโรอรสาธิราชพุทธเจ้าจะได้บุญมากก็นํำไปถวายพรุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงรับรับแล้วก็มีดระปอกเรือกปอกเปือกเสร็จก็มองดูกระอ น, นุลพระอนุลก็พระขาวมากเท่าน้ําขยำขยำเข้าทําลอดทำน้ำอัตบาน ในบาลีเขียนว่ทำ น, น้ำปานะไอปานะแต่ว่าน้ำน้ำทำเป็นน้ำน้ำน่ะปลาที่ฉันได้ตอนเย็นนะนะหลังเที่ยงเมื่อกนดาฉันเสร็จท่านก็บอกให้ในายกันดะคุยดินที่ซุยๆออกไปแล้ววางผลมะม่วงลงแล้วกลบแล้วก็ล้างมือที่ผลมะม่วงพอเดียวเดียวต้นมะม่วงโตพึบพรับโตใหญ่มาก มีกิ่งก้างสักขาวอันแยกเป็นสี่ทางแลายยอดหนึ่งทางเป็นห้าเป็นห้าสายด้วยกันบรรดาดีถีท่านหลายก็พากันสั่งสร้างบรรดบุคคลจะแสดงปฏิหาริย์แข่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ถามไม่ถามพระเจ้าว่าพระองค์จะแสดงที่ไหนเราแสดงคนต้นมะม่วงเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าจะทําัตลาจะทำบรรดบวชไหวพระเจ้าบอกไม่ต้อง พระเจ้าปร ะ, ระสีนั่นเองขร์ก็ถามว่าในเมื่อข้าพระเจ้าไม่สามารถจะทําทใครจะทาได้ท่านบอกพระอินจะทําเองอก็เป็นว่าวันนั้นพระอิงไม่ได้ทําพระเจ้าแสดงบนต้นม่วงมันก็ไม่ต้องทํามนดุบบรรดาที่ถิทั้งหลายก็ตั้งตั้งอะไรนั่งร้านเห็นไฟไหมทำํำฉันตั้งนั่งนั่งไปสูงฉัสนสูงพระอินก็สั่งว่าทิฏฐะแผกแสงให้หนักให้ร้อนจัดเผาหลังมัน ปลน้องไหมอย่างพวกยกทรงเนี่ยบอกพระพายกับพระเจวพระเจ้าวเปล่าวะบอกพระพายบอกพัดให้แรงทํำไรอัศจรรย์ที่มันตั้งขึ้นไปพระบุรุษให้พังให้หมดทางหมดขึ้นขันดีดลนตกลงมาใช่ไหมเป็นอะไเขาก็ต้องแพรพระเจ้าพระเจ้าแสดงว่าย ม, มุกปฏิหารคนต้นมะม่วงแสดงพระเจ้าเองจริงๆหกองค์ พระเจ้าปลอมห้าองค์พระเจ้าแทนหนึ่งองค์ต่างเทศต่างถามกันต่างตอบปัญหายะบ้านฟังพอแสดงเสร็จบรรดาท่านพุทธบริษัทพระเจ้าวันั้นเปวันเออเดี๋ยวก่อนอีตอนที่จะประกาศว่าจะแสดงปารหารเนี่ยบอกพระเจ้ามาพิมพิสารบอกว่าอีกสี่เดือนข้างหน้ากลางเดือนแปดจะแสดงใช่ไหมไปไว้ข้าบรรษาพอดี หลังจากนั้นองค์สมเด็นพระจีนสีก็เด็จขึ้นดาวดึงก้าวแรกก้าวระเหยียบยอดเขาอะไรจําไม่ได้เจ้าทูลจได้ไหมอ่าใช่ต่คนนั้นจำไม่ได้นะคนฟังค์เทศพ อ, อกันก้า <c> ว <oughs> ที่สองเหยียบยอดของเขายุคคันธรก้าวที่สามเหยียบยอดขอเขาพระทุมเมนตอนนั้นพระอินทร์เอาอมารับ ขณะที่บินอาอมารับก็ น, นึกว่าพระเจ้าตัวเล็กนิดเดียวสูงแค่แปดสองมนุษย์ใช่ไหมแต่ว่าเป็นธรรมเนียมไม่เป็นประเพณีก็มีมนให้มาทักบนแทนบบน่นมรรดุขมวดสีลาอาจแต่คิดในใจว่าองค์ส่วเสร็จพระองค์พระองค ก, กับ น, นาศสูงแค่แปดสองมนุษย์ตัวไปณฑิตเองสูงสามโยชนะ่ะถ้าเดินมาเดีนี้พวกเราเห็นเป็นเปรตไปหมดเนี่ยดีไม่ได้ก้าวหนี้ไม่ไหวนะ่ะ ก็เป็นว่าพุทธเจ้าใ น, ในเห็นว่าอินนึกอย่างนั้นรู้ใจนึกนะก็โยนเยวรนปั๊บไปคลุมพอดีท่านนั่งประทับปรับพอดีกันเลยตัวใหญ่มากพอดีกับพระแทน่นหลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระเทพแก่สงฆ์สาวิณวิมาล า, าชาขอถวายพระพรขอจงไปตามพุทธมารดามาเจาั้นรุสิกแล้วก่อนจะไปวิญญ์ก็กถามว่า เมื่อตอนที่แรกพระองค์ขึ้นมาตัวเล็กนิดเดียวถ้านั่งบนพื้นมานนดูพระโพธิละอาตก็จะไม่ต่างอะไรกับแมลงตัวเล็กๆติดตบนแท่นแต่เวลานี้ร่างกาพระองค์ใหญ่โตมากเหมาะสมกับแท่นเป็นเพราะอะไรพระเจ้าบอกว่าพ ร, ระตัอัปมาโนคําว่าพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้จะไปนึกว่าปีแปดสองเก้าสองสิบสองได้ไม่ได้นะ ไอแปดสเป็นร่างกายของเศรษถะไม่ใช่พระเจ้าขนาที่พระเจ้าเข้าไปนั่งตรงนั้นใหม่ๆก็มีเทวดาสององค์มีเรื่องแทกนิดนะเรื่องในท้องเรื่ององค์หนึ่งชื่ออินทกะนั่งอยู่ข้างพระบาทข้างขวาที่องค์หนึ่งชื่ออังกุละนั่งอยู่ข้างซ้ายแต่ว่าเวลาเทวดาทั้งหลายมาองังกุลละก็ถอยเลื่อยไปอินทกะนั่งเฉย พอเทวดามาหมดเทวดังอกุฬบอยู่ท้ายสุดนู้ดหน้าประตูนู้ดใครนั่งนาประตูส้มเลยฮพระเจ้าต้องการจะให้มนุษย์ที่้างล่างได้ยินเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายในเมื่อพระเจ้าขึ้นมาแล้วเขาไม่ยอมกลับบ้านก็บอกว่าถ้าพระเจ้าไม่กลับมาเพียงใดพวกเราก็ไม่ยอมกลับบ้านเหมือนกันก็เป็นภาระของพระเจ้าพระเสียรที่โกศลสต้องประกาศให้คนช่วยกันเลี้ยงคนนับจานวนล้าน หลายสิบล้านคนมาดูเพราะอากาศตั้งสี่เดือนนี่รู้ทั่วไปใช่ไหมเป็นแล้วว่าเจ้าพระเศษนันกุลก็ไม่ใช่ตำแหน่งประราชาแล้วตอนนั้นเป็นแล้วครับเป็นตำแหน่งหัวหน้าครัวชิมแกงทุกหม้อชิมอาหารทุกหม้อว่ามีรสดีไหมถ้าไม่ดีไ ห, ห้แจกคนต้องแกงใหม่ต้องทำต้องทําใหม่ต้องเลี้ยงคนอย่างนั้นต้งสามเดือนคนนับโกดบรรดาญาจจติโยมผู้บริสัตว์มันเสียหายไม่น้อยนะ แล้วก็ยอมทำํำในเมื่อคนยังนั่งรออยู่สมเด็จพระโรงครูคิดว่าเราต้องการให้คนหลายทราบว่าการทําบุญในพุทธศาสนากับนอกพุทธศาสนาต่างกันยังไงองค์สมเดจพระจอมไตรยถามอังกุ拉เทบุตรว่าอังกุล ะ, ละเมื่อสถาคตมาถึงใหม่ๆเธอนั่งข้างซ้ายของตถาคตเวลานี้เทวดามาหมดทั้งดาวดึงเธอนั่งสุดท้ายไปหลังอยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนมุษย์ทำบุญอะไรไว้ ทางวุลักษัพันเตรพระกวาแค่แต่พระองค์พผู้ม่เพ้าเจ้าพุทเจริญในสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เวลาตอนนั้คนมายุคแปดหมื่นปีเป็นเด็กที่สองหมื่นปีเป็นหนุ่มเป็นสาวสองหมืนปี่อยชั่วนหน่อยนะเป็นคนวัยกลางคนสองหมืนปีเป็นคนแก่สองหมนปีไอ้กแก่สองหมืนปีจะไม่ดีนะไอ้แข็ก็ไม่อยากแก่เหมือนแก่เหมือนกันก็กเป็นว่า ในตอนท้ายสองหมืนปีหลังข้าพุทธเจ้าตั้งลงพานแปดสิบแหงหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแหงหนึ่งโยตตั้งหนึ่งแหงแจกทั้งเงินแจกทั้งข้าวแจกทั้งผ้าห่อนท้องสบายคนขับพาคนเดินทางคนยากจนใครต้องการอะไรก็เอาให้ทุกอย่างทั้งวันทั้งกลางคืนแจวใสาเวลานั้นไม่มีพุทธศาสนาคนไม่อยู่ในศีลิธรรมคนไม่มีศีลไมรรมยังเกิดมาเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดบุญดาดึดง จรมา ด, ดินญาโยนาะต น, นี่สำคัญ น, นะถ้าต่อมาพระเจ้าก็ถามอินทกะระอินทกะเมื่อะทถาคเขาขึ้นมาใหม่ๆเธอก็นั่งตรงนี้เวลานี้คนมาทั้งหมดแล้วเทวดามาทั้งหมดเธอก็ตั้งที่เดิมยายยศทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทาบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่าเทวดาทั้งหมดในดาวดิน ในนักการก์บอกว่าพระเตพระาวาข้าแต่องค์สงเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าเลยในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพระเจ้าเป็นลูกคนจนลูกชาวป่าพ่อตายตัดปืนขายเลี้ยงแม่มันก็ไม่มีจะตังค์มากได้มาวันขายวันกินวันใช่ไหมต่อมาวันหนึ่งพระสงฆ์ในพระศาสนาเดินเฉียดบ้างไปเกินห้าองค์คือตั้งลต่สี่องค์ขึ้นไปเนี่ยเขาถือเป็นสังฆทาน ถ้าเห็นพระก็คิดว่าเราเป็นคนจนโอกาสให้ทานไม่มีวันนี้พระมาโปรดถึงบ้านคือเฉียดบ้านเข้ามาเติมในมณฑาฉันอาหารอาหารป่าตามตามีําเกิดใช่ไหมพระกวฉันอาหารที่สบายก็พระอย่างจัดเป็นสังฆทานเมื่อตายจากความเป็นคนยังขึ้นมาเป็น เ, เป็นเจ้านายเทวดาทั้งหมดบนสวรรค์ที่ดาวดึงแค่ครังเดียว เ, ยวเยวมื่อกี้ญาติโยนถังไวมากกว่านะวันนี้ดูถ้วยไหลถ้วยเยอะ ใช่ไมสงฆทานโตก็มีสังฆทานถ้วยก็มีสังฆทานบาตก็มีนะพ้ะก็รับเยอะกว่าพระับเยอะกว่าวันนั้นประมาณหองค์อินทกาถวายน ะ, ะเป็นว่าบุญพระญาติโยมพระัสัตว์มีมากกว่าอินทกะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งตั้งใจมาหลายวันแล้วว่าจะมาก็เริ่มตั้งใจกุศลไม่เกิดแล้วบุญเกิดแล้วได้แล้วตัดสินไม่ตัดสินใจปักจะมันได้แล้วนะแต่การที่สองเข้ามาถึงวัด เกิดทัศนารูปตาิยะเห็นบัคขธรูปเริ่มใสเห็นพระสงฆ์ก็เกิดความเรื่อมใสเรื่มใส้วยการให้ฐานเรืใส่ในการฟังเทศให้สงฆ์มันได้แล้วเว ล, ว ล, วลวาานอมดาทรรมพุทธบริษัททั้นหลายเสียงก็ไม่ดีเล่นก็ไม่ดีเวลาที่มันหมดเวลาทําไงหมดเวลาแล้วใจ ง, าง่าเทศแหล่ไหมใหญ่ใหญ่ไปเต้ สบาวันนี้หมดเวลาแล้วโยมขอไว้ต่อวันพรุ่งนี้นะพรงนี้เทโวรณสูตรอยยริบิญาญาติโยพุทธโสต์เขาบรดาท่านหลายจะมีแต่ความกสิทสวัสดิ์มีวัฒนธมรมคนสมบูรณ์ผลจนเจริญไปด้วยจตุรวิตถพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวนันณะสุขาพะละได้ปฏิภาณปัฒนาเสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นท้งความปัญายุทประการอาจจะมารับทานตนามาเทโวรสุตต อขอจยุติประธรรมเทศนาลงของไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังกรมีติปการชนี